การมาวัดการมาหาธรรมะเป็นการกระทำของคนฉลาดเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดดีที่สุดสำหรับจิตใจของมนุษย์เราทุกคนไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับจิตใจของเราได้ดีเท่ากับ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ดีเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่เข้าหาธรรมะจึงถือว่าเป็นคนฉลาดเพราะว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจ สิ่งอื่นๆในโลกนี้จะดีขนาดไหนจะมีราคาแพงขนาดไหนก็ตามก็สู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วไม่นานมันก็หมดไปหายไป ต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเวละเวลาใดที่ไม่สามารถหามาเติมได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์แต่การหาธรรมะนี้ถ้าเราหาได้แล้วรู้จักวิธีหาแล้วเราสามารถหาได้ตลอดเวลาจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น ในการหาธรรมะมาให้ความสุขกับเราหาธรรมะมาบาบัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราถ้าเรารู้จักหาแล้วเราจะหาได้ตลอดเวลาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเรา หาเป็นเรือหาไม่เป็นออสิ่งอื่นๆนั้นเขามีเว ล, เวลาๆเเออเช่นวันนี้อยากจะหาเงินก็หาได้วันนี้วันเดียววันแทงหวยะถ้าพรุ่งนี้จะไปแทงหวยก็แทงไม่ไดออ้ก็จะไม่มีหวยออก อ, อถ้าอยากจะรวยต้องรวยวันนี้เออพราะวันนี้มีการเอ อ, เ อ, อ, ออกสลาก ออกรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลใครอยากจะรวยก็ต้องรอวันนี้ถึงจะรวยได้ถึงจะมีความสุขได้เมื่อวานนี้ก็รวยไม่ได้มีความสุขไม่ได้พรุ่งนี้ก็รวยไม่ได้มีความสุขไม่ได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ให้ความสุขกับเราได้ทุกวันเมื่อวานนี้ก็หาธรรมะได้วันนี้ก็หาธรรมะได้ พรุ่งนี้ก็หาธรรมะได้หาได้ตลอดเวลาท่านถึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกเออธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกใครต้องการสามารถเรียกเรียกเอามาใช้ได้ทันทีถ้ารู้จักวิธีหาปัญหาคือเราไม่รู้จักวิธีกันปัญหาของเรามีสองอย่าง ไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะไม่รู้จักวิธีหาธรรมะกันเราก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมะกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่มีอะไรดีๆในโลกนี้แต่คนส่วนใหญ่กับไม่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะกันไม่รู้จักวิธีเข้าหาธรรมะกัน ก็เลยมีแต่เรื่องวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลามีแต่ปัญหามีแต่ความไม่สบายใจต่างๆอยู่เรื่อยๆความสุขที่หามาได้ก็หามาได้เดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยววันสองวันก็หายไปแล้วเอออย่างวันเสาร์อาทิตย์นี้ได้หยุดทำงานได้ไปเที่ยวกันพอวันนี้ไปทำงานความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว หายไปหมดนะกลับมาเจอปัญหากับเรื่องงานเรื่องการเจอปัญหากับคนนั้นคนนี้นี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักธรรมะเราไม่รู้สิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในโลกนี้ในขณะนี้ธรรมะนี้พวกเราจะเข้าถึงได้ก็ต้องมีคนมาสอนมาบอกวิธี ถ้าไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกวิธีก็จะไม่มีใครเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนี้ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้มาค้นพบวิธีเข้าหาธรรมะเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธีด้วยตนเองได้เพราะการเข้าหาธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ สำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้นี้ต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆถึงจะค้นพบธรรมะทั้งๆ ท, ง ท, งที่ธรรมะนี้มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่จะเข้าถึงได้หรือไม่ได้นี้ต้องต้องเข้าได้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีมักขุเทศถ้าไม่มีมักขุเทศเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเห็นไหมเวลาคนมาเที่ยวเมืองไทยนี้ต้องมีมักขุเทศมีไกด์คอยพาไปที่ที่น่าดูน่าชมต่างๆพาไปดูสถานที่พาไปหาสถานที่รับประธานอาหาร พาไปหาโรงแรมหาอะไรต่างๆถ้าไม่มีมัคคุเทศน์นี่ไปเองนี่ก็ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนฉันใดธรรมะอันประเสริฐที่จะให้ความสุขกับพวกเราได้ตลอดเวลาที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปนี้มีอยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยตาม จะมีคนที่จะมารู้ว่าวิธีเข้าหาธรรมะนี้เข้าอย่างไรนี้ไม่มีทุกยุคทุกสมัยคือไ ม, มไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุทุกยุคทุกสมัยนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปกันสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านี้มีมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มีเพียงองค์นี้องค์เดียวองค์ที่เรารู้จักกันนี้ชื่อว่า พระโคดมพระพุทธโคดมประวัติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่มีความปรารถนาที่จะหาธรรมะก็เลยออกบวชพอออกบวชก็ได้ค้นพบธรรมะเมื่อได้ค้นพบธรรมะก็สามารถมาสอนมาบอกคนที่ไม่รู้อย่างพวกเราได้ แล้วพอมีคนที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็สามารถเอาไปสอนคนอื่นต่อได้เราจึงมีคนมาสอนธรรมะให้กับพวกเราอยู่ตราบใดที่เรายังมีพระพุทธศาสนาอยู่แต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าไม่มีใครไปสนใจที่จะไปศึกษาธรรมะกัน เมื่อไม่มีคนสนใจศึกษาธรรมะต่อไปธรรมะก็จะเข้าไม่ถึงกันพุทธศาสนาก็จะหายไปก็จะต้องรอให้มีคนฉลาดคนใหม่มาค้นพบพระพุทธค้นพบธรรมะอีกครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้ามาตัดสะรู้อยู่เรื่อยๆแต่ระยะระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ห่างกัน เป็นหลายล้านแสนล้านปีด้วยกัน น, นานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาพบธรรมะมารู้จักวิธีให้เราเข้าถึงธรรมะกันแล้วก็มาสอนพวกเราให้เข้าถึงธรรมะกันใครสนใจใครเชื่อและปฏิบัติตามคำสอนก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ แล้วนะพอรู้พอเข้าถึงแล้วก็จะสามารถอยู่กับธรรมะได้ตลอดเวลาสามารถเข้าหาธรรมะได้ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศตอนต้นไม่รู้จักแหล่งที่จะไปพอมีมักขุเทศพาไปต่อไปจำสถานที่เหล่านั้นได้ก็ไม่ต้องอาศัยมักขุเทศก็ได้ต้องการจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ แต่ถ้าไม่รู้จักสถานที่ไม่มีมักขุเทศพาไป <irement. S 1> ก็จะไม่รู้ว่าสถานที่ดีๆต่างๆในประเทศนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายอยากจะไปกันแต่ถ้าไม่มีมักขุเทศพาไปก็จะไปไม่ถึงมักขุเทศที่จะพาให้เราเข้าหาธรรมะนี้ เราเรียกว่าพระพูทพระธรรมพระสงฆ์นี่เอ ง, เองถ้าเรามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสารโลกเราก็จะมีมักกุเทศมีผู้ที่จะพาเราให้ได้เข้าหาธรรมะอันประเสริฐหารสแห่งธรรมรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมคืออะไรก็คือความสุขที่เราได้จากธรรมะนี่เอง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากธรรมะอันนี้เราต้องอาศัยมากุเทศถ้าเรายังไม่รู้จักว่าธรรมะอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงธรรมะได้อย่างไรเราก็ต้องไปหามากุเทศ มักุเทศก็คือพระพุทธก็จะอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆถ้าเราอยากจะพบกับมักุเทศเราเข้าหาไปที่วัดวาอารามถ้าอย่างน้อยเราก็จะได้มีหนังสือธรรมะอา่านตามวัดนี้จะมีหนังสือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แปดหมื่นสี่พันบทด้วยกันอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจวิธีเข้าหาธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะมีมากถึงแปดหมื่นสี่แปดหมืนสี่พันบทก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอ่านทั้งหมดถึงจะเข้าถึงธรรมะได้ ธรรมะแปดหมืนสี่พันบทนี้ก็จะเป็นธรรมะซ้ำๆกันคล้ายๆกันที่จะบอกวิธีการต่างๆที่เราสามารถเข้าหาธรรมะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านบททั้งพระไตรปิฎกอ่านเพียงไม่กี่บทก็ก็จะเข้าใจและสามารถปฏิบัติ เพื่อให้เข้าได้ให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แต่ที่มีหลายบทก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ทุกวันพระพุทธเจ้านี้มีหน้าที่สั่งสอนแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาผู้มีศิษยรัทธาที่อยากจะรู้ว่าวิธีเข้าหาธรรมะเข้าหาอย่างไรวันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมหลายหลายรอบด้วยกัน เช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงทําให้กับคารวาดญาติโยมตอนค่ำก็แสดงให้กับพระภิกษุสามนเณรตอนเดึกก็แสดงให้กับเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกไปบิณฑบาตก็จะเร่งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษอันนี้พอมีการสอนมีการแสดงธรรม คนที่ฟังคนที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปก็จะจดจำกันหน่อยจดจำกันแล้วก็ถ่ายทอดบอกคนอื่นให้มาช่วยจดจำกันในยุคแรกๆไม่มีตัวหนังสือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อาศัยการจดจำกันการจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีประโยชน์สองประการด้วยกันคือ ห่งประโยชน์คือจะได้รักษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้หายไปสองผู้ที่จดจําผู้ที่ต้องคอยท่องคําสอนของพระพุทธเจ้าก็าจะได้ความรู้และได้ความสงบได้ความสุขใจเช่นบวชสวดมนต์ต่างๆนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราสวดมนต์ใจเราก็เย็นใจเราก็สบายะ ความทุกข์ใจร้อนใจวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะหายไปชั่วคราวหายไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราร้อนใจความร้อนใจมันก็หายไปความร้อนใจเกิดจากใจที่เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราร้อนใจมันก็ร้อนใจขึ้นมา ถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเย็นใจมันก็เย็นใจขึ้นมาถ้าเราคิดแต่บทสวดมนต์คิดแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะทําให้ใจเราเย็นขึ้นเอเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าธรรมะนี้เป็นเหมือนน้ําเย็นนั่นเองเอถ้าเราอยากจะให้ใจเราเย็นอยากตอนนี้อากาศร้อนนี่อยากจะให้ร่างกายเราหายร้อนก็ดื่มน้ําเย็นเข้าไป ดื่มน้ำเย็นแล้วจะรู้สึกความร้อนในร่างกายนี้เบาลงไปหายไปอันนี้ก็เหมือนกันเนีความคิดของเราอนนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้เราร้อนหรือทําให้เราเย็นคิดถึงเรื่องที่ร้อนมันก็ร้อนขึ้นมาคิดถึงเรื่องที่เย็นมันก็เย็นขึ้นมาดังน่องการที่มีการจดจําคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จดจําเอง และเป็นประโยชน์ของผู้ที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปเพราะว่าต่อไปเวลาไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ต้องอาศัยการจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็จะได้ความรู้รู้วิธีเข้าหาธรรมะรู้วิธีสร้างความสุขให้กับใจของเขา รู้วิธีกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเขาให้หมดสิ้นไปได้นี่คือมักขุเทศผู้ที่จะนำพาเราเข้าหาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นมักขุเทศตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่สี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้ามักขุเทศ ล้าก็มีพระที่ศึกษาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าจนสําเร็จจนบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆสามารถเข้าหาธรรมะต่างๆได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าก็มาช่วยพระพุทธเจ้าทาหน้าที่เอาธรรมะมาสอนผู้อื่นต่อพระเหล่านี้เราเรียกว่าพระอริยสงสาวโอกเป็นพระสังฆลัตตนะ ตอนต้นเรามีพระพุทธรัตน์เป็นมักขุเทศแล้วต่อมาเราก็จดจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็อาศัยธรรมารัตนะ์ทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมักขุเทศแล้วเราก็อาศัยพระอริยสงสาวกผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้มาสอนเราเราก็จะมีมักขุเทศคอย บอกคอยสอนให้เราเข้าถึงธรรมะได้มาอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยตลอดระยะเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตัตัดสรุแล้วเอาธรรมะมาเผยแผ่เนี่ยเป็นเวลายาวถึง 2,500 กว่าปีแล้วที่ธรรมะยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้คือวิธีเข้าหาธรรมะ ที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังมีพระธรรมรัตนะอยู่ยังมีพระสังขรัตนะอยู่นั่นเองแล้ววิธีที่จะทําให้มีธรรมรัตนะและสังขรัตนะอยู่เรื่อยๆอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆก็คือเราต้องหาคนที่มีอายุน้อยคนรุ่นหลังอนุชนเข้าหาธรรมะกัน เพราะว่าคนที่รุ่นเก่ารุ่นแก่เดี๋ยวก็ต้องตายกันไปถ้าคนรุ่นหลังอนุชนไม่เข้าหาธรรมะต่อไปก็จะไม่มีใครเรียนรู้ธรรมะจะไม่มีใครรู้ธรรมะพอไม่มีใครรู้ธรรมะก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้พอไม่สามารถเข้าหาถึงธรรมะได้ก็จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาหาศาสนา พอเข้ามาหาศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ตราบใดที่ยังมีผู้ที่สอนธรรมะได้มีอยู่ในโลกนี้ตราบนั้นก็ยังจะมีผู้ที่จะเข้าหาธรรมะอยู่เสมอเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจของมนุษย์ของพวกเรานี้ได้ดีเท่ากับธรรมะนั่นเอง ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหายทุกข์ได้ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ต้องทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพราะเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นแบบที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันนั่นเอง เรารู้แต่วิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆแล้วทำให้เราทุกข์กัน mm. อันนี้เราจึงต้องเข้าหาธรรมะกันถ้าเราเข้าหาธรรมะและเข้าถึงธรรมะได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ต้องมีรางวัลดีเด่นมีรางวัลตุ๊กตาทองมีลูกทองคำลูกโลกทองคำมีรางวัลอะไรต่างๆเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องมีสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรทุกวันนี้พวกเราที่ไม่รู้จักธรรมะนี้ การจะมีความสุขได้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมต้องมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขต้องมีตำแหน่งสูงๆมีเกียรติมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีรางวัลได้รับรางวัลที่นได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เป็นแชมป์แบดมินตันได้เป็นแชมป์ปิงปอง ได้เป็นอะไรต่างๆถึงจะมีความสุขกันแต่ได้มาเดียวเดียวก็หมดไปเป็นแชมป์ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าไม่ได้เป็นแชมป์ก็ไม่มีความสุขอีกแล้วเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่หมดไปแล้วก็แทนที่จะสุขก็จะเสียใจเคยเป็นแชมป์พอไม่ได้เป็นแชมป์เป็นยังไงรู้สึกเสียใจอันนี้เคยเป็นใหญ่เป็นโต พอไม่ได้เป็นแล้วเสียใจไหม เ, เคยเป็นนายกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เป็นนายกขึ้นมาเสียใจหรือปเปล่าเคยร่ำเคยรวยแล้วไม่ร่ำไม่รวยจะรู้สึกเสียใจเนี่ยอย่างนั้นการที่เรามีสิ่งต่างๆเพื่อที่จะมาให้เรามีความสุขใจนั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่ามันมีวันที่จะหมดได้วันที่จะ เสื่อมได้วันที่จะทําให้เราเสียใจได้สู้ไม่มีอะไรดีกว่ามีธรรมะแล้วไม่ต้องมีอะไรมีธรรมะแล้วใจจะเย็นใจจะสบายไม่ต้องมีอะไรแต่การที่จะเข้าถึงธรรมะอันนี้ได้เราต้องเปลี่ยนทางเดินของเราตอนนี้เราเดินหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา ซึ่งมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ได้มาแล้วก็หมดไปอย่างเด็กตอนนี้กำลังรอผลเอ็นทานกันเดี๋ยวเวลาได้ผลดีอกดีใจกันใน่สามวันเจ็ดวันแล้วก็ต่อไปก็ต้องมาทุกกับการเรียนใหม่แนละต้องเข้ามาหาลัยต้องมาทุกกับการเรียนต่อความสุขที่ได้จากเอ็นทานก็หายไปหมดนะ ทนี้จะต้องมาทุกข์กับการเรียนทุกข์กับการทําการบ้านทุกข์กับการทําข้อสอบต่อไปอีกจะไม่เดะมาดีใจอีกทีก็ตอนที่เรียนจบเรียนจบก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับการหางานนั่นนี่พอมีบริญญาแล้วทีนี้ก็ต้องไปหางานทําการหางานทําก็ทําให้ทุกข์ขึ้นมาอีกเวลาไม่ได้งานก็ทุกข์ เวลาได้งานที่ไม่ชอบก็บทุกข์ดังนั้นไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขต่างๆที่เราหากันอยู่นี้มันจะพาให้เราไปเจอความทุกข์ต่อไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราต้องเห็นโทษของการหาความสุขแบบนี้กันการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เป็นสิ่งที่พวกเราหากันทุกคนไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมว่าไม่ไม่อยากได้เงินเงินออยากได้เงินกันทุกคนอยากได้นแหน่งสูงๆกันทุกคนเอทํางานก็อยากจะเป็นหัวหน้าไม่อยากจะเป็นลูกน้องเอมาเป็นหัวหน้าสบายกว่าลูกน้องหัวหน้านั่งใช้ชีนิ้วเอาใช้ปากพูดลูกน้องต้องเป็นคนยกข้าวยกของ ต้องเป็นคนออกกำลังทุกคนก็อยากจะเป็นหัวหน้ากันเพราะเงินเดือนก็ดีกว่าลูกน้องใช่ไแต่ของพวกนี้มันไม่แน่นอนบางวันบางทีก็เป็นหัวหน้าได้ไม่นานก็บางทีบริษัทก็เจ๊งไปก็ต้องปิดไปบางทีไม่ถูกกับเจ้านายเจ้าของบริษัทเขาก็ให้เราออกไปก็ได้ แม้ว่าได้อะไรมานี้มันไม่แน่นอนได้มาแล้วมันมีโอกาสที่จะมันหมดได้พอมันหมดได้มันก็จะทำให้เราเสียใจแล้วในขณะที่เรามีอยู่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจมีความวิตกอยู่เรื่อยๆอยจะหมดเมื่อไหร่จะถูกเขาเชิญออกเมื่อไหร่บริษัทจะแจ้งเมื่อไหร่มันมีอะไรต่างๆให้เรามากังวลอยู่เรื่อยๆ ต่อให้เป็นของวิเศษขนาดไหนให้ความสุขเรามากมายขนาดไหนก็ตามแต่พอมันให้เราแล้วเดี๋ยวมันจะให้ความกังวลกับเรานะเพราะเรากังวลว่ามันจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจเป็นประโยชน์เดี๋ยวเดียวเป็นประโยชน์ตอนที่เราได้มาใหม่ๆ แต่หลังจากนั้นแล้วมันกลายเป็นภาระกลายเป็นความกังวลใจกลายกลายเป็นความเศร้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยเราก็เลยยังไม่คิดที่จะหาวิธีหาธรรมะกันแต่ถ้าเราเจอความทุกข์จากสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆบ่อยๆ นอก็อาจจะเบื่อขึ้นมาแล้วอยากจะหาธรรมะกันก็ได้นคนที่เข้าหาธรรมะกันก็เพราะเห็นว่าการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ทำให้ได้ความสุขที่จีรังถาวรมันเป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาแล้วก็มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นภาระความกังวลขึ้นมาต่อไป ถ้าเห็นแบบนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากลาบยศสารเสนจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มาหาความสุขจากธรรมะกันนี่เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าหาได้ยากเพราะว่า คนที่จะเข้าหาธรรมะได้นั้นจะต้องเบื่อกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องเบื่อกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมีสิ่งต่างๆถ้ามีความเบื่อแล้วทีนี้ก็จะอยากจะหาสิ่งใหม่ๆมาก็นอกจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือธรรมะ ซึ่ ง, งานานจะมีผู้ค้นพบสักทีถ้าเราเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเราก็ยังต้องหาราบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปแล้วก็ต้องมาทุกมาไม่สบายอกไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ เวลาที่เราสูญเสียมันไปเวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่เราไม่สามารถหามาเพิ่มมาเติมใหม่ได้เช่นตอนที่คนแก่คนเจ็บเนี่ยจะเป็นเวลาที่ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่เพราะว่าไม่สามารถหาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขได้เหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกําลังวังชา อยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ไปได้นอกจากนั้นเงินทองที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักหามาเพิ่มเติมต่อไปเวลาแก่ลงไปแก่ลงไปความสามารถที่จะทำงานหาเงินเข้ามาก็จะน้อยลงไปน้อยลงไป แต่การใช้จ่ายเงินทองมันไม่น้อยลงไปเพราะเราต้องใช้เงินทองเพื่อรักษาความสุขให้กับเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเงินทองไม่พอใช้ดังนั้นการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญการหาความสุขจากรูปเสียงเกียรติลดต่างๆนี้จึงไม่ใช่เป็นการหาความสุขที่แท้จริง เป็นการหาความสุขควบคู่กับการไปหาความทุกข์มาเพราะมันเป็นเหมือนของที่มาพร้อมๆกันเหมือนเหรียญเนี่ยมีสองด้านถ้าอยากถ้าเอาเหรียญมานี่จะเอาหัวด้านหัวด้านเดียวไม่ได้เหรียญมีหัวมีก้อยด้านหัวกับด้านก้อยจะเอาด้านหัวอย่างเดียวไม่ได้ฉันใดเราจะเอาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะสิ่งต่างๆนอกจากมันมีความสุขแล้วมันก็มีความทุกติดมาด้วยเหมือนเนื้อสามชั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งมันทั้งเนื้ออจะเอาเนื้ออย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะเอาความสุขอย่างเดียวไม่เอาความทุกเนี้ต้องเอาธรรมะเท่านั้นธรรมะนี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้ความทุกข์กับเราและจะให้ความสุขกับเราไปตลอด อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยถ้าเรารู้จรู้จักวิธีเข้าหาธรรมะแล้วเราก็จะสามารถเข้าหาธรรมะได้ตลอดเวลาสามารถมีความสุขจากธรรมะได้ตลอดเวลาเนี่ยนี่คือคุณประโยชน์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราควรที่จะถ้ายังไม่รู้ก็ควรที่จะศึกษา ควรจะเข้าหาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอ่านคําสอนจากหนังสือหรือไปฟังคําสอนจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่เข้าถึงธรรมะได้จริงๆรงิพระที่ยังเข้าถึงธรรมะไม่ได้จะไม่สามารถสอนคุณสมบัติอันประเสริฐของธรรมะได้ดังั้นถ้าอยากจะ หรือว่าธรรมะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรต้องไปเรียนกับคนที่ได้สัมผัสกับธรรมะแล้วได้เข้าถึงธรรมะแล้วถ้ายังถ้าไปเรียนกับคนที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมะเข้าถึงแต่ชื่อแต่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงตัวธรรมะนี่มีสองส่วนมีชื่อกับมีตัวการเรียนหนังสือ ธรรมะการฟังธรรมะนี้ยังเรียกว่าเป็นการ เ, าเรียนรู้ชื่อของธรรมะแต่ยังไม่ได้เจอตัวธรรมะการจะเจอตัวธรรมะนี้ต้องเอาไปเอาคําสอนที่เราได้ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติไปกระทำเราถึงจะเข้าถึงตัวธรรมะได้เราถึงจะรู้ว่าตัวธรรมะนี้มีคุณประโยชน์อย่างไร ถ้าคนสอนยังเข้าไม่ถึงธรรมะเวลาสอนก็จะไม่สอนแบบประทับใจคนฟังแล้วก็ไม่มั่นใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงอย่างไรเพราะคนสอนยังไม่สามารถที่จ ะ, อะบอกเล่าถึงความประเสริฐของธรรมะได้เหมือนคนที่เคยใช้สินค้า แล้วกับคนที่ไม่เคยใช้สินค้านี่จะไม่สามารถจะจะมีความสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้นได้ไม่เหมือนกันเช่นคนไม่เคยใช้มือถือมาก่อนเนี่ยเพียงแต่เคยอ่านว่ามือถือใช้ถ่ายรูปได้ใช้อะไรได้แต่เวลาจะมาอธิบายให้คนที่ไม่เคยใช้ว่าเป็นอย่างไรก็อธิบายแบบงูงูปลาปลา ไม่เหมือนกับคนที่ใช้มือถืออยู่เป็นประจำเนี่ยจะสามารถบอกอะไรต่างๆได้อย่างละเอียดอย่างชัดเจนคนที่ได้ยินแล้วก็จะเกิดความยินดีอยากจะได้มือถือมาใช้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงผู้ที่เข้าถึงตัวธรรมะ ผู้ที่เข้าถึงตัวธรรมะจริงๆก็คือพระอริยสง์นี้เองพระอริยสง์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระที่เราเห็นทั่วๆไปพระที่เรียนหนังสือแล้วก็ไปสอบนี่เป็นพระที่ได้รู้จักชื่อแต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติยังไม่เจอตัวธรรมะ จะาจะตัวธรรมะต้องไปเจอพระที่ไปปฏิบัติธรรมเลยพระที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพราะสถานที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรมก็คือตามป่าตามเขาสถานที่ที่หา่างไกลจากความเจริญทางโลกเพราะความเจริญทางโลกนี้จะเป็นอุปสรรคความวามกั้นกับ การเจริญทางธรรมคนที่อยากจะได้ธรรมะก็เลยต้องแยกตัวออกจากที่เจริญของทางโลกถ้าไปบวชไปปฏิบัติอยู่ในกรุงเทพในเมืองอย่างนี้ปฏิบัติยากเข้าถึงตัวธรรมะยากเพราะมีอุปสรรคคอยขวางกั้นอยู่เรื่อยๆมีรูปเสียงกลิ่นร็ดต่างๆมาคอยกีดขวางการที่จะเข้าถึงธรรมะได้ ผู้ที่ต้องการจะเข้าถึงธรรมะต้องไปหาที่ที่สงบที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิน่นรสไม่มีเรื่องราวต่างๆมาขวางกั้นจิตใจนั่นเองพอไปอยู่ที่สงบนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายได้พ้าพที่จะเข้าถึงตัวธรรมะนี้ส่วนใหญ่จะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นองค์แรก พระพุทธเจ้าก็ไปหาธรรมะในป่าในเขาเนีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ในป่าในเขาปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาอันนี้ถึงจะเข้าถึงตัวธรรมะได้พระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าจะว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์ซนก็ต้องไปหาธรรมะในป่าในเขากันถึงจะเข้าถึงธรรมะได้ธรรมะไม่ได้อยู่ในป่าในเขาหรอก ธรรมะมันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ใจของเราเข้าไม่ถึงเพราะถูกกิเลสตัณหามันคอยปิดกั้นเอาไว้กิเลสตัณหาก็คือความชอบความเจริญของทางโลกนี่ชอบความสุขของทางโลกที่มันจะปิดกัน้นการเข้าหาธรรมะของเราเราจึงต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่ใช่ว่าธรรมะอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่ ธรรมะไม่มีสถานที่ไม่ได้อยู่ในป่าในเขาไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองธรรมะมันอยู่ในใจของเราแต่เราเข้าไม่ถึงเองมันอยู่ข้างในเราตอนนี้แต่เราเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะใจเราถูกหลอกให้ออกไปข้างนอกถูกหลอกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรส ถูกหลอกให้ไปหาลาบยศสรรเสริญเห้แม้ตื่นขึ้นมาทําอะไรเตรียมตัวออกนอกบ้านกันทุกคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานี่ไม่มีใครจะอยู่บ้านกันนะถูกสั่งให้ออกไปข้างนอกกันนะออกไปทํานู่นทนํานี่ก็เพื่อไปหาอะไรหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าเป็นเด็กก็ไปเรียนหนังสือก่อนเพราะถ้าไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวก็ไปทํางานไม่ได้ไปหาเงินไม่ได้เอก็ต้องไปเรียนหนังสือ คนที่เรียนจบแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องออกไปทำงานไปหาเงินกันดังนั้นทุกคนนี่ออกจากบ้านกันนนมันรถถึงติดใช่ไหมตอนตอนคืนรถไม่ติดใช่ไตอนเดึกนี่ทุกคนเข้าบ้านนอนหลับตอน น, อนโนล่งไปหมดเลยพอตื่นเช้าขึ้นมานี่ใจมันถูกหลอกแล้วหลอกให้ออกไปข้างนอกกัน ออกให้ไปหาลาบยศสรัรเสญออกให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบางคนก็ไปดูหนังบางคนก็ไปฟังเพลงบางคนก็ไปกินไปดื่มบางคนก็ไปเล่นไปเที่ยวทำอะไรกันต่างๆหาความสุขกันทั้งนั้นไม่มีใครออกไปหาความทุกข์กันแต่แล้วทำไมต้องไปเจอความทุกข์กันก็เพราะว่าความสุขที่เราหามันมีความทุกข์ติดมาด้วยเหมือนหมูสามชั้นน่มันจะเอาแต่ เอาแต่เนื้อร้อนร้นไม่ได้มันมีมันติดมาด้วยความสุขทางโลกมันจะมีความทุกข์ติดมาด้วยอืดังนั้นเราต้องเข้าหาธรรมะให้ได้แต่ต้องบอกให้รู้ก่อนนะว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ป่าที่เขาเลยอยู่ที่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่อินเดียหรืออยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ในใจของเราทุกคนเนี่ยแหละแต่เราเข้าไม่ถึงเราไม่เข้าหามันเอง เราถูกหลอกให้ออกไปหาของข้างนอกกันของดีๆข้างในเราเลยไม่สนใจที่จะเข้าหากันคนฉลาดท่านนั้นถึงจะรู้ว่าของดีนี้อยู่ในตัวเราเราจะเข้าถึงมันนี้ต้องอยู่เฉยๆต้องไม่สนใจออกข้างนอกไม่สนใจไปหาลาบยศสรรเสริญไม่สนใจไปหารูปเสียงกลิ่นลดปุถุพะ วิธีที่จะทําทใช่ใจเราอยู่เฉยๆได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินีเ่เพราะว่าตัวที่ส่งให้ใจเราออกไปข้างนอกก็คือความคิดเราต้องคิดก่อนเนี่ยพอลืมตามานี่สิ่งแรกคิดเลยเฮ้ย hey, วันนี้วันอะไรวะวันวันจันทร์ต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทํางานเอตาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ต้องไปเที่ยวเอต้องมันจะความคิดมันจะเป็นตัวส่งใจเราออกไปข้างนอก ยันถ้าเราไม่อยากให้ใจเราออกข้างนอกเราต้องหยุดความคิดนะแต่การหยุดความคิดนี้มันพูดง่ายแต่ทำยากเคยหยุดความคิดได้บ้างไหมเนี่ยบอกให้อยากคิดได้ไหมไม่ไดอ้อย่าว่าแต่ไม่ให้คิดทั้งทั้งวันเลยให้ไม่ให้คิดแค่นาทีหนึ่งได้เปล่าลองนั่งเฉยๆแล้วดูว่าหยุดคิดสักนาทีหนึ่งได้ไั้ยไม่ได้เหรอแป๊บเดียวมันไปแล้วเพลิน พอบอบอยมันหยุดคิดได้สองสามวินาทีเดี๋ยวมันไปแล้วอย่างนี้ต้องหาวิธีที่จะดึงมันไว้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ดึงมันไว้ด้วยวิธีให้เราเลิกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะให้เราเลิกถึงพุทโธเรื่องพุทธานุสติให้เลิกเลาเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าออจะสวดปิดอติปิโสก็ได้น อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธนี่เรียกว่ากําลังสวดบทพุทธคุณเราเลิกถึงคุปตะคุณของพระพุทธเจ้าอืมแต่ต้องสวดหลายๆรอบนะไม่ใช่สวดแค่รอบเดียวสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดถ้ามันยังอยากจะคิดถึงคนนั้นเคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนมันเหนื่อยจนไม่อยากจะสวดน เมื่อมันเหนื่อยมันไม่อยากจะสวดมันก็จะไม่อยากจะคิดมันก็จะหยุดคิดได้ชัว่วคราวโดยคิดน้อยคิดแบบไม่มีกำลังที่จะคิดอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องถูกหลอกให้ออกไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ภายนอกไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องไปติดรถบนท้องถนน มันต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเอานอกบ้านที่นนี่ต้องเสียเงินกันนะยิ่งเสียเงินมากก็ต้องหาเงินมากมามันก็เลยวนกันอยู่ในอ่างเนี่ยออกไปหาเงินแล้วก็ออกไปเสียเงินวันๆหนึ่งชีวิตของเราก็วนเวียนอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงินเนี่ยก็เลยไม่เคยหยุดคิดกันวุ่นวายกับการคิดหาเงินวุ่นวายกับการคิดใช้เงินกันไป แล้วเวลาเงินหมดเงินไม่พอใช้ก็วุ่นวายกับวิธีว่าจะหาอย่างไรดีถึงถึงจะมีเงินใช้ขึ้นมาแล้วถ้าคิดไปในทางที่ไม่ถูกก็เดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองกับคนอื่นอีกถ้าคิดไปหาไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกต้องไปถูกเขาจับติดคุกติดตารางอีกฉะั้นเรื่องของความคิดเนี่ยมันพาให้เราวุ่นวาย ถ้าเรามาหยุดคิดได้นี้เราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆเพราะอะไรเพราะเวลาเราหยุดคิดนี้ใจเราจะอิ่มใจเราจะรู้สึกว่าไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่เคยเข้าถึงกันนี่แหละคือตัวธรรมะคือความสงบเวลาถ้าเราเข้าถึงตัวนี้แล้วเราจะ รู้ว่านี่ลหละคือสิ่งที่ดีที่สุดมีอยู่ในตัวเราแต่เรากับเข้าไม่ถึงกันจะเข้าถึงก็ต้องหยุดความคิดกันหยุดหยุดส่งใจออกข้างนอกเพราะเวลาเราคิดนี้มันจะคิดแต่เรื่องออกไปข้างนอกครันคิดจะไปหาลาบยศชนะเสริญคิดจะไปหารูปเสียงกลิ่นรส คิดจะไปหาคนนั่นคนนี้คิดจะไปดูหนังฟังเพลงคิดจะไปซื้อข้าวซื้อของคิดจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มีแต่เรื่องที่ให้ไปออกไปข้างนอกทางนั้นเราออกไปข้างนอกแล้วใจก็หิวใจจะไม่มีวันอิ่มถึงแม้ว่าจะได้อะไรมามากมายเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะใครรู้จักคำว่าพอไหมใครใครพูดในใจว่าพอแล้วไหมได้อะไรมาแล้วมากเกินไปแล้วม เรื่องเงินนี้ใครมีคําว่าพอไหมได้มากี่ร้อยก็ไม่พอได้มากี่พันก็ไม่พอได้มากี่แสนกี่ล้านก็ไม่พอเพราะว่าความพอมันไม่ได้อยู่จากการที่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้มาความพอมันจะเกิดต่อเมื่อเราหยุดคิดเมื่อเราทําใจให้สงบดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนแนวทางในการหาความสุขกัน เลิกออกไปหาความสุขทางข้างนอกใจกันแล้วดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในกันด้วยการฝึกสติด้วยการฝึกพุทโธพุทโธพุทโธหรือฝึกสวดมนต์ไปทำแบบใดแบบหนึ่งไปก่อนมันมีหลายแบบด้วยกันแล้วมันจะพาเราไปสู่วิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีหยุดความคิดด้วยกำลังของสติ ถ้าเรามีสติมากๆเราดูจิตปั๊บเราจะเห็นทันทีถ้ามันคิดเราก็บอกให้มันหยุดคิดได้ทันทีไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องสวดมนต์แต่ถ้ายังไม่มีสติบอกให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดคิดเราก็ต้องอาศัยการสร้างสติด้วยพุโทโธด้วยการสวดมนต์ไปก่อน เหตุเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังไม่มีสติไม่สามารถบอกให้มันหยุดคิดได้ไม่สามารถบอกให้มันนั่งเฉยๆดูลมหายใจอย่างเดียวได้ก็ต้องให้มันสวดมนต์ไปก่อนหรือให้มันพุโทโธพุโทโธไปก่อนแล้วต่อไปพอสติมีกำลังมากพอเราก็นั่งเฉยๆดูลมได้ไม่อยากจะทำอะไรหยุดอยากจะหยุดคิด อยากจะมีความสุขจากความสงบก็นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกดูมันแค่นี้ให้นั่งดูลมเหมือนดูหนังดูหนังเราดูเป็นชั่วโมงดูได้ทำไมเราดูลมดูเป็นชั่วโมงดูไม่ได้ดูลมนี้มีความสุขมากกว่าดูหนังดูหนังแล้วบางทีเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็ไดเกิดความเสียใจขึ้นมาขนาด แต่ถ้าดูลมแล้วจะมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายมีแต่ความสุขถ้าเราดูลมไม่ได้เราก็ต้องดูท่องพุโทโธไปก่อนถ้านั่งหลับตาแล้วดูลมไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก่อนพุโทโธช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้แต่อย่าหยุดพุดโทโธ โดอจะหยุดก็หยุดสักสองสามวินาทีแล้วก็พุทโธใหม่ก็ได้ตามใจถ้าไม่มีความคิดก็พักพุทโธไว้ชั่วคราวก็ได้พอจะเริ่มคิดใหม่ก็พุทโธพุทโธไปใหม่พุทโธช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้แล้วแต่อารมณ์ความพอใจบางทีอยากจะให้มันเร็วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปบางทีอยากจะให้มันช้าก็พุทโธพุทโธพุทโธไป ให้ดูว่าความคิดมันยังคิดอยู่หรือเปล่าเท่านั้นถ้ามันยังคิดอยู่ก็ยังต้องพุดโทอยู่ถ้าไม่ฉชนนั้นเดี๋ยวมันจะคิดลุกแล้วถ้าไปมันคิดเดี๋ยวมันคิดอยากจะลุกแล้วมันอยากจะไปทานู่นทานี่แล้วแต่ถ้าเราไม่ให้มันคิดมันก็จะนั่งต่อไปได้นี่แหละความคิดมันตัวร้ายกาศ ตัวที่มันจะดึงให้เราออกไปหาความทุกข์กันโดยหลอกเราว่ากำลังไปหาความสุขกันความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราไปหา ม, ามาันก็เป็นความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เวลามันหมดไปฉนะนั้นเราไม่มีทางเลือกถ้าเราอยากจะเข้าหาธรรมะถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา เราต้องอาศัยสตินี่เลยต้องสร้างสติกันถ้าไม่มีสติสั่งให้หยุดคิดได้เราก็ต้องอาศัยสวดมนต์กันไปก่อนสวดบทยาวๆก็ไ ด, ด้สวดบทสั้นก็ได้ถ้าบทสั้นก็สวดหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนความคิดต่างๆมันหายไปมันไม่เข้ามาในใจพอไม่มีความคิดเราก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมต่อไป ถ้าดูลมไปได้เรื่อยๆความจิตก็จะนิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งเต็มที่พอนิ่งเต็มที่นี้มันจะรู้สึกเบาอกเบาใจเหมือนกับภูเขาถูกยกออกจากอกไปใครหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมดใจจะเบาจะเย็นจะสบายมีความสุขแบบมหัศจรร์ใจ มีความสุขแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสุขแบบนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราเข้าถึงความสุขกันนี้แล้วเราจะรู้เข้าถึงตัวธรรมะแนละ้วเราจะรู้แล้วว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เราจะต้องเข้าให้ถึงได้ตลอดเวลาช่วงแรกๆเราจะเข้าไปได้แป๊บเดียว พอแป๊เดียวเดี๋ยวก็ถูกความคิดดึงออกมาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องควบคุมความคิดใหม่พุทธโธใหม่สวดมนต์ใหม่หยุดดูลมใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไวขึ้นจะชํานาญขึ้นจะเร็วขึ้นต่อไปนั่งหลับตาพุบเดี๋ยวมันก็เข้าไปแล้วถ้าเราทํานั้น ทำบ่อยๆทำมากๆจนสติมีกำลังมากเหมือนกับตอนที่เราหัดขับรถใหม่ๆ เ, เวลาหัดขับรถใหม่ๆนี้โอ้ยกว่าจะสตาร์ทได้ก็กว่าจะออกวิ่งได้นี้ใช้เวลานานไหไหนจะหาเอากุญแจาหาลูกุญแจอยู่ตรงไหนไหนจะเปิดสวิตต์ยัยงไงไหนจะสตาร์ทเครื่องอย่างไรไหนจะเข้าเกียร์อย่างไรโอ้ยกว่าจะเห็นเ็นคนขับรถใหม่ๆมกว่าจะออกรถได้ทีนี้ ดูแล้วลำคาญแต่คนที่ขับชำนาญนี้พอขึ้นรถปับ๊บสตาร์ทเครื่องปับ๊บปุ๊ไปแล้วนั่นแหละถ้าเราฝึกสติบ่อยๆต่อไปการที่เราจะเข้าสู่ความสงบนี้มันปุ๊บเดียวไม่ต้องพุทธไม่ต้องอะไรถ้ามีสติเยอะๆนั่งหลับตาปับ๊บสั่งมันหยุดคิดปับ๊บมันก็หยุดคิดสั่งให้มันดูลมปับ๊บมันก็ดูลมแล้วเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ นี่คือการที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้ขั้นที่หนึ่งก็คือต้องใช้สติดึงใจให้เข้าข้างในอย่าปล่อยให้ใจออกข้างนอกนี้พอมันเข้าข้างในแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะกาลังสติของเรามันจะหมดมันก็จะถูกความคิดดันออกมาใหม่ดังนั้นเราต้องใช้ขั้นที่สองเราต้องสอนให้ใจคิดไปในทางที่ไม่อยากจะออก เช่นว่าบางวันเราไม่อยากจะออกนอกบ้านพอ่ออะไรเพราะถ้าเราคิดว่า อ, ออกไปรถก็ติดอากาศก็ร้อนอยู่บ้านดีกว่ า, เ, าเราก็ต้องคิดอย่างนี้ต่อไปเวลาเราจะคิดออกไปหาความสุขข้างนอกเราก็บอกว่ามันเป็นความสุขเดียวนะเดียวนะเดี๋ยวก็เจอความทุกข์นะ อ, อย่าไปดีกว่าพอาาคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาไม่เอาดีกว่าเช่นคนที่ไม่มีแฟนอยากมีแฟน ถ้าคิดว่าเดี๋ยวมีแฟนนะเดี๋ยวต้องทะเลาะกับแฟนนะเดี๋ยวแฟนไปแอบมีแฟนใหม่ก็จะเสียใจนะหรือแฟนจากเราไปเราก็จะเสียใจสู้ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมาทุกข์มีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลามันหมดไปหรือเวลามันเปลี่ยนไปมันก็จะทาให้เราเศร้าใจอันนี้เราเรียกว่าขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญา สอนใจให้คิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่อยากออกข้างนอกอยากจะอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันสบายเย็นสบา ย, อ, ย, บายออกไปหาความร้อนทำไมออกไปข้างนอกก็ร้อนเหมือนคนที่อยู่ในห้องแอร์นี่อยากจะออกไปข้างนอกไหมช่วงนี้ถ้าอยู่ในห้องแอร์แล้วถ้าไม่มีธุระไม่มีความจำเป็นไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วเพราะรู้ว่าข้างนอกมันร้อนอยู่ข้างในมันเย็นใจก็เหมือนกันใจอยู่ข้างในเยน็น ใจออกมาข้างนอกมาหารูปเสียงกิ่ดแล้วมันร้อนถึงแม้ว่ามันจะสนุกถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขแต่มันมีความร้อนตามมาอันนี้ต้องเป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งต้องเอาใจเข้าข้างในให้ได้ก่อนเข้าไปในห้องเย็นเข้าไปในห้องแอร์ให้ได้ก่อนพออยู่ในห้องแอร์แล้วพอใจอยากจะออกข้างนอกก็สอนใจว่าข้างนอกมันร้อนนะ ข้างนอกมันวุ่นวายนะอยู่ข้างในดีกว่าพอมันเห็นว่าข้างนอกมันร้อนมันวุ่นวายก็อยู่ข้างในดีกว่าอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องบอกว่ามันเป็นทุกข์นะของที่เราอยากได้มาไม่ช้าก็เลยมันจะมันจะกัดเราเนะเวลามันจากเราไปมันสุขด้วยทุกข์เวลาได้มาดีใจกันเวลาแต่งงานก็ดีใจกันเลี้ยงฉลองกันเวลาอยากกันไม่เห็นจางานเลี้ยงกัน ใช่อันนี้เราต้องมองให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่เราออกไปหาข้างนอกมันมีวันสิ้นสุดลงพอมันจบลงมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ู้อยู่กับความสงบดีกว่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราเข้าไปแล้วเ ร, เราสามารถดึงใจให้มันอยู่ข้างในได้มันก็จะอยู่ข้างในไปตลอดต่อไปมันก็จะไม่ออกมาหาอะไรข้างนอกถ้าออกมาก็ออกมาทาธุรานิดหน่อยเช่นมาดูแลร่างกายร่างกายั้งเวลากินก็หาอาหารให้มันกินถึงเวลาอาบน้าก็อาบน้าให้มันพอเสร็จธุระก็กลับเข้าข้างในไป แล้วต่อไปเวลาไม่มีร่างกายก็ยิ่งดีไม่ต้องมาดูแลร่างกายอยู่ข้างในได้ตลอดเวลาเนื้อใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างในอยู่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ต้องออกมาข้างนอกแล้วเพราะไม่มีร่างกายที่จะต้องออกมาเลี้ยงดูอีกต่อไปอยู่แบบไม่มีร่างกายนี้สบายที่สุดไม่มีภาระที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาร่างกาย ถ้ายังมีร่างกายก็ยังต้องออกมาอยู่ะแต่ต่อไปพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่สําหรับคนที่ได้พบธรรมะแล้วจะไม่ต้องการมาหาอะไรอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ก็ไม่ต้องมีร่างกายคนที่ยังมาเกิดอยู่ก็เพราะว่ายังต้องการของที่มีอยู่ในโลกนี้ของที่คนที่ต้องการคืออะไรก็คือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ แต่พอได้พบกับความสุขที่อย <days> ู่ข้างในใจแล้วก็ไม่ต้องออกมาหาความสุขข้างนอกเพราะความสุขข้างนอกเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปก็เลยไม่อยากจะมีไม่อยากจะได้อะไรจากโลกนี้อีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาหาอะไรอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดแล้วเพระพุทธเจ้านี้มีความสุขอยู่ข้างในแล้ว ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาความสุขแบบพวกเราที่ยังหากันอยู่ในตอนนี้ต่อไปพวกเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วดึงใจให้เข้าไปอยู่สู่ข้างในให้ได้ให้มันอยู่ข้างในไปตลอดแล้วใจของเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป เมื่อไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรถ้าไม่ทุกข์กับร่างกายเลี้ยงดูร่างกายก็ทุกข์เต้นขึ้นมามันเท่าทุกข์กันก่อนเข้าห้องน้ํากันก่อนแล้วใช่ไหมมันเท่าทุกข์ร้อนก็ต้องอาบน้ําให้มันเหนือก็ต้องหาผ้ามาให้มันหม่มหิวก็ต้องหาอาหารให้มันทานหิวน้ําก็ต้องหาน้ํามาให้ดืม่มลมหายใจก็ต้องหายหายใจอยู่ตลอดเวลามินติมีแต่ภาละมีแตก มีแต่ความทุกข์มีแต่งานให้ทาอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีร่างกายแล้วมันแสนจะสบายคนฉลาดจึงไม่เอาร่างกายเอาธรรมะเนีย่ยถึงบอกว่าคนที่เข้าหาธรรมะเรียกว่าเป็นคนฉลาดเพราะว่าเป็นคนที่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับธรรมะไม่มีอะไรจะให้ความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับธรรมะ สิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะมีความสุขมากน้อยก็ตามมันจะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้ได้ยินได้ฟังถ้าเราเข้าวัดเข้าหาธรรมะกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพพิติโยมิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะพิวาธนศีลิสานิจจังวุทธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงให้ถามคำถามกันเดี๋ยวขอถามสถิติดูกันว่า น, นี่คนติดตามชมเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b ุ๊ k เข้ามา466ครับย t u b บ229วิธีออนไลน์ 9, 23รับฟังข้างบนนี้32คนรวมทั้งหมด750ครับเพราะวันจันนี้คนจะเยอะนะ วันสาว์ทิต์คนไปต่างจังหวัดกันออกจากบ้านกันเลยไม่ได้ติดตามกันก็มีคำถามไหมคือมีใครอยากจะถามอะไรฟังเทศแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยธรรมะในหัวข้อใดก็ถามได้นะถ้าถามอยากจะถามจะส่งไมโครโฟนไปให้เพราะต้องพูดทางม ไ, มไมโครโฟนเสียงจะได้ดังไปทั่วโลกเนี่ยนี่ถ่ายเท่าสดทั่วโลกเลยรู้ มีคนติดตามทั่วโลกในประเทศก็หกสิบกว่าจังหวัดมันเคยเคยให้เขาส่งสติติเข้ามาให้คนที่ติดตามรายงานว่ามาจากที่ไหนบ้างในประเทศก็นับได้ประมาณสักหกสิบกว่าจังหวัดต่างประเทศก็หลายสิบประเทศด้วยกันเนี่ยฟังได้ตลอดเวย้ยทุกแห่งทุกคนแล้วก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้สดสด ตอนนี้คนทั้งบ้านมีคำถามเขาก็ส่งข้อความกันเข้ามาแล้วมาหรืยอยังมาแล้วลองถามดูคำถามจากคุณอรไทยโยมนั่งสมาธิประมาณห้าสิบนาทีพอออกจากสมาธิในท่านั่งโยมก็นอนตามลมหายใจเอามือวางที่ท้องดูความ เคลื่อนไหวของท้องพองยุบพอนอนได้สักระยะความรู้สึกคือมือที่วางบนท้องพองยุบหายไปตัวหายลมหายใจหายไปความรู้สึกสุดแค่ศีรษะหรือหัวอย่างเดียวแบบนี้คืออะไรเจ้าคะ่ะก็คืออย่างที่มันเป็นนั่นแหละคืออะไรคือสติมันจะค่อยๆหมดถ้านาั่งต่อไปมันก็จะหลับ วิธีเข้าสมาธิจึงไม่นิยมในท่านอนกันเพราะท่านอนเป็นท่าสบายทำให้การประคับประคองสติได้ยากเลยต้องอยู่ในท่านั่งท่าที่ตื่นหรือท่าเดินเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเั้นเวลาอยู่ในท่านอนนี้สติจะค่อยๆหายไปแล้วเดี๋ยวก็จะหลับไปต่อไป จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิเข้าฌานได้ถ้าอยากจะเข้าฌานต้องลุกขึ้นมานั่งคำถามต่อไปจากคุณวามีสองคำถามครับคำถามแรกดิฉันพยายามไม่พูดสิ่งที่คิดพยายามฟังคนที่พูดโดยไม่ตอบโต้ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับเขาเป็นแบบนี้มาสักพักจนรู้สึกไม่มีความสุขเลยเจ้าคะ่ะ เหมือนเก็บกดและเครียดดิฉันควรทำอย่างไรดีเจ้าคะออต้องหยุดความคิดที่จะไปอะตอบโต้เขาคือจะไปใบห้ามมันด้วยการบังคับไม่ได้ต้องหาวิธีไม่ให้มันคิดเช่นเวลาเวลาเขาพูดอะไรเราไม่อยากจะตอบโต้เราก็พุโทโธพุโทโธไปในใจของเราแล้วเราก็จะไม่ต้องตอบโต้ แต่ถ้าเราฟังแล้วมันอดที่จะตอบโต้ไม่ได้เพราะเขาพูดมาเราก็อยากจะตอบโต้อยากจะอธิบายอยากจะว่าเขากลับอะไรมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเมื่อเราห้ามไม่ให้ไปไปไปตอบโต้เพราะเราไม่ได้ห้ามที่ความคิดงไงความคิดมันอยากจะตอบโต้อยู่แต่เราไปห้ามไม่ให้มันไปตอบโต้ไปเหมือนกับไปไปปิดกั้นมันไว้ปิดกั้นมันก็เหมือนกับปิดประตู เหมือนกับเราปิดก า, าน้ำเวลาต้มน้ำถ้าเราปิดรูระบายออกเมื่อมันไม่มีทางออกมันก็จะทําให้มีความกดดันภายในกามากขึ้นเดี๋ยวมันก็ระเบิดได้ฉนันใดถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้เครียดเราต้องหยุดความคิดไม่ใช่ไปหยุดการตอบโต้โดยที่ยังมีความคิดที่อยากจะตอบโต้เขาอยู่ยังต้องหยุดความคิดที่จะไปตอบโต้เขา ใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปคำถามที่สองถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วไม่มีความสุขแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะหรือยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดพยายามหยุดคิดยิ่งคิดก็คิดวนไปวนมากับเรื่องที่ทาให้ทุกข์การฝึกสติด้วยการภาวนาพุทธโธ ทำไมของดิฉันถึงไม่มีผลเลยเจ้าคะรู้อยู่ว่าตัวเองคิดเยอะและเครียดตั้งแต่เลี้ยงลูกคนเดียวและทำงานไปด้วยเริ่มเห็นว่าตัวเองไม่มีความสุขและกับเรื่องคนที่มากระทำให้รู้สึกไม่ชอบใจจนคนรอบข้างเห็นว่าดิฉันเก็บกดไม่มีความสุขได้อย่างชัดเจนเจ้าคะ่ะก็เพราะเราไม่อยู่กับพุโทโธนั่นเองเราเราไปอยู่กับความคิดความคิดมันก็คิดอยู่เรื่อย ถ้าเรามาอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปงั้นอย่าไปอยู่กับความคิดให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปความคิดก็จะค่อยๆจางหายไปหมดไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายเหมือนการกินยากินยาถ้ากินเม็ดสองเม็ดมันยังไม่หายหรอกต้องกินไปเรื่อยๆตามที่หมอให้มา บอกให้กินห้าวันก็ต้องกินห้าวันไม่ใช่กินเม็ดสองเม็ดแล้วจะหวังจะให้ไข้าหายไปเลยมันมันอาจจะเบาลงนิดหน่อยแต่ยังไม่หายก็อย่าเพิ่งไปหยุดกินยาไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันอยาอย่ า, อ ย, าอย่าหยุดพุดโทโธพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวความคิดเป็นก็จะหมดไปจากคุณการมีสองคำถามครับคำถามแรก ออกกำลังกายบนเครื่องสายพานเดินวิ่งสามารถภาวนาพุทโธฝึกสติดูเท้าไปด้วยได้ไหมครับได้ไม่ว่าจะทำอะไรที่ฝ<ม>ึกสติได้ทุกเวลาแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำก็ฝึกสติไปด้วยการดูกิจกรรมที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายไปคิดเรื่องอื่นนี้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ได้อยู่กับร่างกายอย่างต่อเนื่องแปลงฟันไปสองคำก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ไม่ได้ฝึกสติถ้าฝึกสติต้องบังคับให้มันอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวกําลังแปลงฟันก็ต้องให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวกําลังหวีผมก็ต้องอยู่กับการหวีผมอย่างเดียวไม่ว่ากําลังทําอะไรให้มันอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าส่งไปที่อื่น อย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติแล้วต่อไปใจก็จะนิ่งใจจะไม่ลอยไปลอยมาใจลอยไปเพราะความคิดความคิดส่งใจให้ลอยคิดถึงอดีตมันก็ไปแล้วคิดถึงอนาคตมันก็ไปแล้วต้องให้มันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือร่างกายร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของปัจจุบันให้มันอยู่กับร่างกายให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นกับร่างกายเป็นหลัก คำถามที่สองการกลืนน้ำลายตอนนั่งสมาธิถือว่าร่างกายไม่นิ่งใช่ไหมครับและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับออใจไม่นิ่งใจไม่อยู่กับพุโทโธแล้วใจไปอยู่กับน้ำลายอย่าไปสนใจกับน้ำลายทำไมเวลาดูหนังไม่เห็นอยู่กับน้ำลายนะนั่งดูหนังเป็นชั่วโมงไ ม, ไม่เห็นสนใจ เ, เรื่องน้ำลาย ใจอยู่กับหนังเวลานั่งสมาธิไม่ยอมอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กับลมไปอยู่กับน้ำลายมันก็เลยต้องเกินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ไปอยู่กับมันน้ำลายมันจะไม่ไหลหรอกใจเราไปปรุงแต่งมันก็เลยไปกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายมันไหลออกมาอยู่เรื่อยๆยันอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอยู่กับลมหายใจก็หายใจไป แต่อย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นอย่าไปอยู่บางคนก็ไปอยู่ที่น้ำลายก็ต้องคอยขืนอยู่เรื่อยๆบางคนก็ไปอยู่ที่คันคันตรงนั้นเดี๋ยวก็ต้องกันเดี๋ยวต้องเกาแล้บางคนก็ไปอยู่ที่เจ็บเจ็บตรงนั้นก็ต้องขยับแล้วอันนี้ก็จะทําให้การสมาธิล้มเหลวการทําสมาธิล้มเหลวเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับงานของตนเองใจเลยไม่เข้าสู่ความสงบใจไปติดอยู่ที่ร่างกาย การเข้าสมาธินิจใจต้องถอนออกจากร่างกายคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมมักจะฝันเป็นเรื่องราวเรื่องพ่อแม่ของโยมท่านเสียไปหลายปีแล้วเล่าให้พี่น้องฟังพวกเขาว่าโยมกินมากคิดมากเลยฝันมากไรสาระอันนี้โยมควรทำเช่นไรเจ้าคะ่ะ ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเรื่องของความฝันมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นผลที่เกิดจากใจของเราไปมีความผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะมักไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆท่านั้นเองถ้ามันไม่ได้มาทำให้เราทุกข์เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้านอนหลับฝันดีก็ดีอยู่แล้วฝันถึงพ่อแม่ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรถ้า ถ้าฝันไม่ดีก็แสดงว่ามันเป็นผลจากการทำไม่ดีของเราถ้าฝันดีก็เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีของเราเท่านั้นเองเราแก้ความฝันไม่ได้เราต้องมาแก้ที่การกระทำของเราถ้าเราทำไม่ดีอยู่เรื่อยๆฝันไม่ดีอยู่เรื่อยๆเราต้องเปลี่ยนการกระทำของเรามากระทำดีเพราะเรากระทำดีบ่อยๆทำดีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปฝันเราก็จะกลายเป็นฝันดีฝันไม่ดีก็จะหายไป เพราะต้นเหตุที่ทำให้เราฝันดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทาดีไม่ดีของเรานี่เองคำถามต่อไปจากคุณสวยัยดิฉันได้เป็นเจ้าภาพร่วมบวชเนนภาคฤดูร้อนอา น, นิสงของการทาบุญจะได้อย่างไรเจ้าคะก็ได้เหมือนกับการอา น, นิสงทาบุญอย่างอื่นคือการเสียสละเงินทองของเรา บอยจากเงินทองจะในบอยจากได้รูปแบบไหนก็ได้เหมือนกันได้ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเหมือนกันเอาเงินก้อนนี้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเอาไปเป็นเจ้าภาพบวชเนรเอาไปร่วมสร้างโบสถสร้างเจดีย์เอาไปถวายสังฆทานร่วมทอดกรินก็ได้อ น, นิสงส์เหมือนกันคือความรู้สึกในใจของผู้ให้เหมือนกัน ให้แล้วมีความอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเราบอกให้เขาฟังแต่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าเวลาฟังธรรมะแล้วทำให้ จิตใจไม่อยากได้อะไรทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความสุขเจ้าค่ะเขาบอกว่ายังปล่อยวางไม่ได้รอให้อายุมากกว่านี้ก่อนเขาปล่อยวางได้ก่อนเขาถึงจะฟังค่ะแบบนี้เราควรจะทําอย่างไรเจ้าคะก็เรื่องของเขาจะทําไงครับ เนเรื่องของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องของเรากเท่านั้นเองเขาจะทําไงก็เรื่องของเขาเมื่อเขาไม่ต้องการธรรมะก็อย่าไปชวยเขาเท่านั้นเองมันก็จบเราก็เราชอบธรรมะเราก็ฟังธรรมะไปเขาไม่ชอบธรรมะก็ปล่อยให้เขาไปทางอื่นเท่านั้นเองทางใครทางมันอันนี้บังคับกันไม่ได้มาบังคับกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข การอยู่ร่วมกันนี้เขามีหลักว่าต้องสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนเข้าใจไหมถ้าส่วนต่างคือเขาชอบฟังเขาไม่ชอบฟังทำเราชอบฟังทำอันนี้เราอย่ามาประสานมันสงวนไว้เก็บไว้ของใครของมันถ้าชอบเรื่องเดียวกันชอบกินขนมด้วยกันออันนี้ชวนไปกินด้วยกันไนดะ้อันนี้เขาเรียกว่าถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่าพยอย่าไปบังคับกันเพราะสิ่งเหล่านี้บังคับไม่ได้บังคับแล้วจะเกิดการต่อต้านขึ้นมาช่วยเชือ้อเชิญได้เชิญแล้วถ้าเขาไม่รับก็จบอย่าไปเชิญแบบซ้ำซากเดี๋ยวเขาจะลำคาญเชิญหนเดียวพอถ้าเขาไม่เอาก็จบคำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม แม่นอนติดเตียงมาเกือบสี่ปีแล้วพี่พี่สามคนเขารวมหัวกันเกี่ยงให้เป็นหน้าที่ของดิฉันคนเดียวเคยขอให้เปลี่ยนบ้างก็ไม่ได้ให้ช่วยค่าใช้จ่ายบ้างก็ไม่ได้พูดขออะไรก็ไม่ร่วมมือเลยจนรู้สึกรังเกียจแทบไม่อยากนับเป็นพี่น้องบางครั้งเครียดมาก มีครอบครัวพี่อีกคนที่เพิ่งพาได้ไม่รู้จะทําอย่างไรเจ้าค่ะเราควรจะคิดใหม่เราควรจะคิดว่าการได้เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี้เป็นบุญอย่างมากเพราะพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนพระอราหันต์ของลูกๆ ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อกับพ่อแม่นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากได้บุญมากถ้าคนอื่นเขาไม่อยากจะได้บุญเราเหมาหมดเลยต้องคิดแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขจากการที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราไม่นึกเราไม่นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่กันเราเลย ม, มาเกลียกันทำไมเราไม่นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องทุกข์ยากลาบากกับเราขนาดไหนช่วงข้อออกมาใหม่ๆนี้เดี๋ยวก็ล้องดึกๆนื่นๆก็ร้องพ่อแม่นอนหลับก็ต้องตื่นขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรวะปวดท้องหิวหรืออะไรต้องมาคอยบำบัดความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่เราก็เลยเกี่ยงกัน แต่ถ้าเราคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วเราจะอยากจะตอบแทนคนเดียวอยากจะมาะเอาคนเดียวคนอื่นไม่เอาไม่เป็นไรเพราะว่าบุญคุณของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะไม่มีพ่อแม่จะมีเราได้อย่างไรเราเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่จะมาเกิดเป็นคนได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญคุณของพ่อแม่นี้ต่อให้เลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนก็ตามแบท่านไว้บนบาบนไหล ให้ท่านอุจฉลาปัตวะใส่เราไปจนถึงวันตายบุญคุณของท่านก็ใช้ไม่หมดอันนี้แหละคือความความยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ของเราที่พวกเราไม่มีใครสอนกันไม่มีใครให้คิดกันคิดแต่จะเอาประโยชน์จากพ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่มีสมบัติเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวแย่งกันแล้วใช่ไมเดี๋ยวพอพ่อแม่ตายนี้มาตีกันละมาตีมาแย่งสมบัติกันแต่เวลาพ่อแม่ต้องการ ความช่วยเหลือของเราไม่มีใครมาแย่งช่วยเหลือกันเลยเพราะความโลภความหลงของเราความเห็นแก่ตัวของเราอยากจะได้ประโยชน์ไม่อยากจะรับภาระคำถามต่อไปจากคุณโบหากลูกมีความคิดถึงและผูกพันกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณยายเพื่อนรักลูกจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมเจ้าคะ และทำบุญอย่างไรถึงจะได้มาพบกันอีก อ, อมันอนาคตมันไม่มีอะไรแนะ่นอนงัออ้นก็อย่าไปกังวลเลยเพราะว่าชาติหน้าเราไปเจอพ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่เดี๋ยวล้วก็มีความรู้สึกแบบกับคนเก่านี่แหละเหมือนก็ได้เจอกันอยู่นั่นงัออ้นไม่ต้องกังวลพ่อแม่คนนี้คนที่เรามีความผูกพันกันตอนนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ชาติก่อนเราก็อยากจะไปหาพ่อแม่คนเก่าของเราแต่พอมาเจอพ่อแม่คนใหม่มันก็เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปกังว ล, ลวเดี๋ยวได้เจอเจอแบบแบบนี้ที่เราเจอแบบในชาตินี้ชาติหน้าก็จะเจอแบบนี้อีกเพียงแต่เปลี่ยนคนเท่า น, นั้นเองเปลี่ยนคนใหม่แต่ความรู้สึกความผูกพันก็เหมือนเดิมคำถามต่อไปจากคุณหมวย ถ้าต้องปฏิบัติทำอยู่ที่บ้านทําอย่างไรถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะก็ต้องมีสติเป็นพื้นฐานก่อนฝึกสติเป็นพื้นฐานรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่าทำบาปศีลห้าได้ก็ดีถ้าศีลแปดได้ยิ่งดีใหญ่แต่อย่างน้อยก็ต้องเริ่มที่ศีลห้าก่อนศีลห้าแล้วก็พยายามรักพยายามรักษาสติฝึกสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิด คอยลดความคิดต่างๆให้มันเบาบางลงแล้วถ้ามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิหลับตาหรือสลับกับการฟังเทศน์ฟังธรรมไปเพื่อที่จะได้ความรู้ในการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องต้องศึกษาด้วยถึงจะรู้จักวิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ แต่เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยอย่าเอาอย่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวอย่าศึกษาอย่างเดียวอย่าปฏิบัติอย่างเดียวต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปสลับกันไปช่วงนี้นั่งสมาธิช่วงหน้าก็ฟังธรรมไปอ่านหนังสือธรรมะไปแต่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีสติตลอดเวลาอ่านหนังสือธรรมะก็มีสติฟังธรรมก็มีสตินั่งสมาธิก็ต้องมีสติผลถึงจะเกิดขึ้นมาได้ <Yeah. S 2> คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามลูกสาวดิฉันไม่ชอบคุณยายเพราะการกระทาของท่านที่แคร์คนนอกมากกว่าคนในบ้านและชอบแสดงอาการที่ไม่เหมาะกับแม่ พยายามอธิบายว่าคนเรามีทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะควรสอนลูกอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ให้นำลึกถึงบุญคุณของคุณยายออ uh oh, ถ้าไม่มีคุณยายก็ไม่มีแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีลูกนะให้คิดอย่างนี้จะได้เห็นคุณค่าความสำคัญของคุณยายแล้วก็จะได้ ò, ยอมรับการกระทาของคุณยายว่ามันเป็นเรื่องของคุณยายคุณยายก็เป็นเหมือนเราเราก็มีชอบ ทำไมเราไม่เราเราก็มีชอบไม่ชอบเหมือนกันเราตอนนี้เราไม่ชอบคุณยายคุณยายเขาก็ชอบคนนูน้นคนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่มีชอบไม่ชอบเราอย่าไปก้าวก่ในความชอบไม่ชอบของเขาเราอย่าลืมบุญคุณของเขาพยายามนึกถึงบุญคุณเขามากๆแล้วเราจะได้ไม่กล้าไปร่วงเกินคนที่เ็ามีบุญคุณกับเรา คำถามต่อไปจากคุณป๊อปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ให้ลดมานะทิติในตัวเองให้เหมือนดินเหมือนผ้าขี้ริ้วใจเบาขึ้นแต่ใจมันก็แอบมีโทสะข้างในท่องผ้าขี้ริ้วไปเรื่อยจนเผลยิ้มออกมาแบบนี้เราเรียกอุเบกขาหรือเรามีสติขึ้นไหมคะก็ได้ไ ด, ได้ได้สติขึ้นมาบางทีรู้ว่าให้ทำตัวเป็นปัิภีแต่ เดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอ น, นพอมันทําตัวเป็นใหญ่เป็นโตมันก็จะทุกข์ขึ้นมาพอได้สติแบบให้เราเป็นดินนะมันก็กลับมามันก็ยิ้มได้ตอนนี้จิตมันยังขึ้นขึ้ น, นลงๆ ง, อ, งอยู่ พ่าโดยหลักการแล้วมันยังไม่ยอมเป็นผ้าขี้เหลวมันยังไม่ยอมเป็นปฏิ ภ, ภิจิงเนียมันยังไม่ยอมเป็นดินเราจรึงต้องคอยบังคับให้มันกดให้มันอยู่เป็นดินอยู่เรื่อยๆเวลาที่มันทะลึ่งขึ้นมาก็ตบหัวมันทีห <c> ม <oughs> <c oughs> ดแล้วเหรคำถาม <c oughs> มีครับคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหากมาปฏิบัติธรรมโดยไม่คิดที่จะทางาน แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาทําบุญเจ้าคะ่ะก็ไม่ทําบุญเนี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นวิธีทําบุญแทนเมื่อเราไม่มีเงินเรามาปฏิบัติธรรมเราก็หยุดการทําบุญไปแล้วเราก็มาทําบุญด้วยการปฏิบัติธรรมมันเป็นขั้นตอนของผู้ปฏิบัติผู้ที่จะเข้าสู่ขบวนการของศาสนาขั้นตอนแรกตอนที่เรามีเงินเราก็ทําบุญไปก่อน พอเราได้บุญได้ประโยชน์จากบุญจากการทาใช้เงินทำบุญเราเห็นคุณค่าของบุญเราอยากจะได้บุญที่มากกว่านี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมพอเราปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีเวลามาทำบุญก็เปลี่ยนเปลี่ยนการหาบุญจากการใช้เงินมาเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการหาบุญแทนเท่านั้นเองบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจซึ่งความสุขใจอิ่มใจที่ได้จากการ ใช้เงินทำบุญนี่น้อยกว่าความสุขใจอิ่มใจที่ได้จากการปฏิบัติธรรมแต่ตอนต้นนี้เรายังไม่มีกําลังจะไปปฏิบัติเราก็ใช้เงินทองเป็นการทําบุญขึ้นมาก่อนเป็นการสร้างความสุขใจไปก่อนด้วยการใช้เงินทองแต่ต่อไปถ้าเรามีกําลังที่จะไปปฏิบัติธรรมได้เราก็หยุดการทําบุญได้แล้วก็ไปทําบุญด้วยการปฏิบัติธรรมแทนต่อไป พวกที่มาบวชนี้เขาไม่ทําบุญลแล้วเพราะคนที่มาบวชนี่พระธเจ้าให้สละไปให้หมดให้มีเงินทองเท่าไหร่ให้ยกคนอื่นให้คนอื่นไปทําบุญไปให้หมดเมื่อหมดเงินแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปทําบุญละมาทําบุญที่สําคัญกว่าที่ใหญ่กว่าคือบุญที่เกิดจากการปฏิบัติทำต่อไปหมดแล้วเหรอคําถามมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวเอาไมโครโฟนให้ ช่วยพูดใกล้ๆปากหนะ่อยนะจะได้ยินเสียงคาําถามไม่ถามไปเลยไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องอับอายขายหน้า <c oughs> พูดใกล้ๆปากนะนียัยไม่ได้ยิน <c oughs> อ่ตั้งสติก่อนคำถามหมายไปเนาะําไม่ได้แ <c oughs> ล้วเออไม่ได้พูดใกล้ๆปากหน่อย เวลาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฮ้ยเวลาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำไมควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่ควบคุมมันคือสติยังมีกำลังน้อย ดูมันได้แต่หยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธตอนนั้นถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าใช้สติหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปเวลาเสียใจหรือเวลาโกรธใครนี้อย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราเสียใจหรือโกรธให้ดึงใจไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวอารมณ์โกรธมันก็จะหยุดไปเพื่อดูอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็มก็ดับไปอย่างนี้ค่ะอ่าอารมณ์เราอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการให้มันไม่เกิดดับเกิดดับก็ต้องฝึกสติให้มากๆขึ้นบ่อยๆขึ้นแล้วต่อไปอารมณ์ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะว่างตลอดเวลาฝึกสติเวลาเกิดอารมณ์ก็พุโทโธพุโทโธกาจัดมันไป แต่าอยู่เฉยๆอยาจะอยากให้อารมณ์หายไปไม่มีหายเพราะมันจะมีเรื่องมาสร้างมากระทบใจมาสร้างให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราสร้างสติไว้สติก็จะสามารถทำให้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นหายไปได้แล้วถ้าอยากจะให้มันหายอย่างท้าวรก็ต้องใช้ระดับปัญญาเพราะอารมณ์ต่างๆเกิดจากความอยากของเราเกิดจากความหลงของเราอยากให สิ shorts, state, ada, internet, like shoe, ra, ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างตอนนี้อยากให้อากาศนั้นไม่ร้อนมันก็ทําให้อารมณ์เราไม่ดีละเนี่เราต้องหยุดความอยากต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้มันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปเราหัดอยู่กับความร้อนไปเราก็จะไม่เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่มีอารมณ์เสียกับความร้อน ในีขั้นที่สองขั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งใช้หัดฝึกสติก่อนหยุดอารมณ์ต่างๆก่อนแล้วขั้นที่สองก็มาสอนใจให้อย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้อากาศนี่เราสั่งให้เขาไม่ได้สั่งให้เขาเย็นสั่งให้เขาร้อนไม่ได้ร้อนก็อยู่กับมันไปเย็นก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจเราจะไม่มีอารมณ์ เข้าใจไหมโอเคหมดไหมยังเ้วยังไม่ถึงคำถามที่อยากจะถามออเอาเร็วหน่อยคือมันบางทีดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ อ่าคนอื่นก่อนส่ง m มกลับไปกันคำถามยังไม่พร้อมมีคำถามอีกไหมคำถามจากคุณพรนิพายโยมฝึกสติในชีวิตประจำวันและนั่งสมาธิได้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเช้าเย็นเมื่อจิตถอนออกมาต่อไปพิจารณากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ เวลาทานอาหารพิจารณาเป็นธาตุสี่เข้าออกร่างกายอย่างนี้ได้ไหมเช้าคะได้แต่ถ้าอยากจะให้มีสติมากขึ้นก็ไปฝึกสติก่อนจะดีกว่าคอยควบคุมความคิดอย่าเพิ่งไปคิดให้นั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงก่อนยี่สิบนาทียังอาจจะน้อยไป ออกมาก็มาฝึกสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายต่อไปก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งไปคิดพอคิดแล้วมันจะทาให้หยุดความคิดยากหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอยากจะมาถามมาถามหนังใหม่ก็ได้ถ้าถือใหม่แล้วคำถามไม่ออกม า, าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา